วนะจุดอ่อนที่สุดเลยคือสมาธิไม่พอนะจุดอ่อนเกือบทั้งหมดอนะเงินภาวนาถึงจะทำรู้หลักรู้อะไรนะเวลาลงมือปฏิบัติจริงๆนะมันคลาดเคลื่อนในอภิธรรมอสอนบอกว่า สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางี้เราต้องฝึกจิตให้มีสัมมาสมาธนะิมีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนไม่ใช่สมาธิอะไรก็ไดนะ้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเกิดน้อยมากเลยหลายสิบปีก่อนนะขนาดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ ยัางดำรงชีวิตยอยู่เยอะแ ย, ยะไปวัดนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีวันนี้ก็มีหลวงพ่อตะเวนไปดูแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละสำนักหาคนที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจริงๆนะหายากมากบางแห่งมีอาจารย์องค์เดียวทำได้ทั้งวัดคนอื่นทำไม่ได้ บางวัดเนี่ยพิเศษจริงๆเลยครูบาอาจารย์ทำได้แล้วก็มีพระทำได้หลายองค์ก็มีอนะโอที่ท่านสอนเก่งคือหลวงตามหาบัวพระวัดท่านมีดีหลายองค์นะในยุคนนนะั้นมาเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเราแล้วก็สิ้นไปเกือบหมดละองปุรีก็สิ้นไปใช่ไหม บางวัดบางแห่งบางสำนักเนะี่ยไม่มีเลยตัวอาจารย์ก็ททำไม่ได้เงี้เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากเลยตอนหลวงพ่อปวดใหม่ๆนะหลวงพ่อจะสอนพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมืองเนละเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตอลไพวกนียพูดภาษาบาลีมาก็ไม่รู้เรื่อง หลวงพ่อเขาบอกว่าพยายามฝึกตัวเองให้ไม่เผลอกละไม่เพ่งถ้าเราเผลอคือใจมันไหลตามกิเลสไปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปอยู่ในโอกของความคิดนึกทางใจเห็นไหมมีแต่คำว่าหลง หลงดูหลงฟังหลงดมหลงริมรดหลงรูส้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันไม่มีสติกำกับเวลาไปรู้รูปมันก็ไม่มีสติไปฟังเสียงมันก็ไม่มีสตินะไปคิดมันก็ไม่มีสติมันย่อหย่อนอันนี้ย่อหย่อนเกินไปไม่มีสมาธินะเรียก ว, ว่าการสุขาริการุโยค หลวงพ่อบอกว่าไม่เพ่งนะไม่เพ่งนักปฏิบัติยุค ก, ก่อนนะเกือบร้อยๆอร้อ ย, อยคือนักเพ่งแต่เพ่งแบบมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธิเพ่งแล้วจิตเนี่ยถลำลงไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์กรรมฐ า, านอย่างบางคนพุโทโธนะจิตจมไปอยู่ในโลกของพุโทโธในความคิดเรื่องพุโทโธ คนที่รู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคนดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องคนเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าคนขยับมือยังใส่ยลงพ่เทียนจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วจมลงไปในอารมณ์แนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเ น, นี่ยที่หลวงพ่อเรียกว่ามันเพ่งอยู่มันไปเพ่งอารมณ์คอนเซนเทรต ไปที่ตัวอารมณ์ลืมจิตนี่เอาจิตนี่ไปจมอยู่กับอารมณ์สิ่งที่ได้คือความสงบเฉยๆบางคนเพ่งแรงจิตก็พยายามจะดิ้นหนีก็บังคับจิตมากๆสิ่งที่ได้คือความอึดอัดถ้าพวกเรานั่งสมาธิแล้วอย่างอึดอัด น, นี่รู้ได้เลยนะตอบโจทย์ตัวเองได้เลยเพ่งรู้สึกไหม มันเพ่งมันถึงอุรัน น, นี่หลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพลือก็คือขาดสติจิตล่องลอยหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพ่งก็คือไปบังคับควบคุมจิตให้ไปนิ่งไปแนบไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไปบังคับจิตเป็นสมาธิชั้นเลว สมาธิชั้นเลวไม่มีอะไรขึ้นมานอกจากความลำบากนั้นอาตตา ก, กิลมะฐานโยคเนี่ยบังคับกายบังคับใจทําตัวเองให้ลําบากถ้าเราคิดถึงการนั่งสมาธิแล้วก็ลำบาก น, ะนั่นแหละอาตตา ก, กิลมะฐานโยกเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะ่ะเป็นแบบนี้ส่วนคนที่ย่อหย่อนไม่ได้ปฏิบัติก็สุดตรงไปข้างหลงข้างย่อหย่อนคือเผลอเผลอทั้งวัน หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจไม่ได้หลงจิตที่หลงอุดมไปด้วยโมหะเนี่ยสะสมเอาไว้จนเคยชินมีทุคติเป็นที่ไปถ้าหลงแล้วไม่ได้ไปทำช่วยอย่า ง, อ, ง, นะงอื่นนะหลงเพลินเพลินเลอเลอไปส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นเดรัฉานนะถ้าหลงแล้วก็ไปรอบด้วยนนก็ไปเป็นเปรต หลงแล้วก็เครียดกังวลหวาดกลัวนะมีความคิดความเห็นรุนแรงอะไรเงี้ยพวกนี้นไปเป็นอสุรกายนะถ้าหลงแล้วก็จมแช่ยอยู่ในความทุกข์ก็ไปเป็นสัตว์นรกนี่ถ้ามีบุญกำกับนะหลงแล้วคิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่สร้างแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจหลงอยู่ในความดี ก็ไปเป็นเทวดาหลงอยู่ในฌานก็ไปเป็นพลมเห็นไหมหลงพาไปได้ทุกพบเลยหลงไปทั่งสุขติก็ไปด้วยความหลงเหมือนกันถ้าไม่หลงอะ่ะถ้าไม่หลงก็นิพพานถ้าไม่หลงก็ไม่มีที่จะไปไปเพราะหลงส่วนพวกบังคับตัวเองเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ควบภุมไว้ ส่วนใหญ่เป็นคนดีอยากจะดีนะไปสุคติได้นะไปสุคติได้ยังบังคับตัวเองสงบอย่างเงี้ยสบายๆก็ไปสุคติบังคับเราเครียดแล้วโมโหอะไรเงี้ยตกนรกนะนีนระวังนะภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วหงุดหงิดนะกำลังสร้างนรกให้ตัวเองถ้าภาวนาแล้วก็น้อมจิตนิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไปสุคติได้ ไปพรหมโลกได้ไปนิพพานไว้ไม่ไปคละเรื่องกันงเงันเผลอใช้ไม่ได้ไปทุกขติแน่นอนเพ่งแบบพอดีพอดีนะไปสุขติได้นักปฏิบัติมนาภาพนะอยากพ้นทุกข์แต่มสร้างทุกข์ให้ตัวเองในการบังคับกายบังคับใจ แทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่อยอมรู้กายอย่างที่กายเป็นไม่อยอมรู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็ไปบังคับกาย<ท ứ>บังคับใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกเอาพวกเรานั่งสมาธิสิเราจะขยับตัวทันทีเลยความจริงเรานั่งอยู่แล้วนะสมาธิมีไม่มีอยู่ที่จิตต่างหากถ้าหลวงพ่อบอกเอานั่งสมาธิเนยถ้าไม่นั่งแบบเนี้ยไม่มีสมาธิ มีเงาไปีนิดหนึ่งพอนั่งบังคับร่างกายได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับจิตมีหลายแบบนะพวกหนึ่งทำจิตให้ซึมเคลิ้มนะอย่งางี้ะวกคิดว่าดีไม่ได้เรื่องหรอกอีกพวกหนึ่งเครียด นะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแหละเวลาหัดนั่งสมาธิช่วงแรกๆนะดิ้นรนนะ่ะคนก้าททำไงจะดีทำไงจะถูกตอนเด็กๆไม่มีมารยาณนาะนั่งปุ๊บสงบอย่างรวดเร็วเลยพอโตขึ้นมันชอบเรียมารยามากนะนั่งยังไงจะดีนั่งเฉยๆรู้เนื้รูร้ตัวไปคงไม่ดีมั้งดูไม่ลดผลนะนั่งเพ่ง ทนนะอดทนทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเยเหนื่อยแทบตายเลยไม่ได้อะไรได้แต่ความลำบากเนะนี่ยบังคับตัวเองมากไปได้แต่ความลำบากบางครั้งนะมันนึกได้ว่าตอนที่ได้อะไรดีๆเนะี่ยใจมันรวมลงไปมันไม่รู้สึกอะไรนะนรวมลงไปไปรับรู้อารมณ์ภายในก็แกล้งรวมนะจะทิ้งกายเลยนะ จะให้เข้าไปที่ใจนะห้ามเรียนแบบนะหลวงพ่อชำนาญเข้าเข้าออกออกได้แล้วเราเข้าไปแล้วไม่ออกแล้วเวลาจะออกจากสมาธิที่เป็นมิจฉานะใจใจให้แรงขึ้นนะอย่าไปดึงจิตออกมาเดี๋ยวจะปวดหัว ่เวลาเข้าสมาธิลึกนิ่งไปเนี่ยเวลาจะออกหายใจให้แรงขึ้นถ้าหายใจแรงแล้วมันยังไม่ยอมออกนะแอบกระดิกนิ้วกระดิกคล้ายๆเขย่าปลุกตัวเองอย่าปลุกแรงเนี่ยปวดหัวเนี่ยออกจากสมาธิก็ต้องมีชั้นเชิงนะมพลวดพลาดออกมาปวดหัวเลย สมาธิที่ดีที่สุดธรรมดาที่สุดสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหะสมาธิฉันเลิศเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมคำนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะงงจิตใจอยู่กับเนื้อเนื้อตรงไหนวะตรงนี้ก็เนื้อตรงนี้ก็เนื้อชิดมากชิดมากจิตฟุ้งซ่านจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไป โยมแถวที่สามเนี่ยนะวันนี้จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวบางวันอยากดีก็นืกออกก็บาบังคับมันไปเรื่อยอันะอนั้นใช้ไม่ได้ให้จิตใจยอยู่กับตัวเองนั่นแหละสมาธิที่ดียากไหมจิตใจยอยู่กับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ยากเพราะ อ, อะไรเพราะเคยชินที่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเคยชินที่จะหลง หลงไปคิดเบอร์หนึ่งถ้าตาไม่บอด ก, ก็ลงไปดูเป็นเบอร์สองถ้าหูไม่หนวกก็ลงไปฟังเป็นเบอร์สามเนะี่ยสามแห่งใช้มากที่สุดเวลาเราดูทีวนะีเดี๋ยวก็หลงไปดูดูรูปเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปคิดสลับกันนะแต่ว่าเราดูไม่ทันเรากคิกว่าตาดูหูฟังใจคิดพร้อมๆกัน เวลาที่ใจคิดเนี่ยรูปที่เห็นเนี่ยจะเบลอลงไปมันอยู่แค่สัญญาความจํารูปได้เท่านั้นเวลาฟังเสียงนะรูปก็เบลอลงไปอย่างตั้งใจฟังเสียงหลวงพ่อสิล้วจะเห็นหลวงพ่อเบลอหลวงพ่อจะไม่ค่อยชัดนะเวลาเราตั้งใจฟังเสียงเวลาเราไปคิดเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ฟังแต่มันสลับกันเร็ว ทำงานสลับกันสามช่องนี้เร็วเราก็เลยนึกว่าเราดูด้วยฟังด้วยคิดด้วยจริงๆไม่ใช่ค่อยๆฝึกไปพยายามฝึกสมาธิที่ถูกสมาธิที่ถูกคือไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวในขณนะเดียวกันก็ไม่เพง่งกลัวจะลืมตัวเองเลยเพ่งบังคับกายบังคับใจสมาธิที่ถูกเป็นทางสายกลางก็คแค่สภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อตัว ถ้ตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็ไม่หลงไปดูไม่หลงไปฟังไม่หลงไปคิดไม่หลงไปดมกลิ่นไม่หลงไปลิ้มรสไม่หลงไปรู้สัมผัสที่กายไม่หลงมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ก็หลงมันตรงข้ามกันถ้าเราพยายามรู้เนื้อรู้ตัวเรื่อๆเราก็จะตัดสิ่งที่ผิดไปส่วนหนึ่งแล้วคือการหลงการเผลอแล้วการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวสมัยสบายอยู่ไม่ได้บังคับตัวเองเราจะไม่เพ่ง สภาวะที่ไม่เผลอสภาวะที่ไม่เพ่งก็คือสภาวะที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาฝึกนะฝึกให้ได้รู้สึกตัวอยู่ให้ได้เยอะที่สุดหลวงพ่อฝึกตัวนี้ได้ตั้งแต่เด็กตอนเด็กฝึกสมาธิกับท่านพ่อหลีฝึกแล้วก็เกิดนิมิตนะแสงสว่างตามแสงสว่างไปด้วยเที่ยวสวรรค์เที่ย ว, ว อ, ยอะไรอย่างนี้ นรกไม่ไปกลัวพีไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวนูนเที่ยวนี้เที่ยวดูนูนดูนี้ไปแต่มาพราบว่าไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาไปเที่ยวนะเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเสืบฐีเราไปอยู่บ้านเขาเ ข, าเขาไม่ได้ไปดูดูเขามีของกินแล้วก็กินกับเขาไม่ได้เขามีอะไรดีๆแล้วก็ใช้กับเขาไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยๆล้วก็ใส่ชุดปอนๆของเราไม่เห็นมีอะไรเลย ไปดูบ้านเศรษฐีนะใครเคยอยากดูบ้านเศรษฐีบ้างมีไหมื่มอทีไปดูแล้วละอายใจนะไม่เอาดีกว่าไปดูสมบัติคนอื่นเขาหน้าละอายในใจมันรู้สึกไม่เอาดีกว่านะก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองเวลาทำสมาธินะพอมันสว่างขึ้นมานะก็รู้ทันจิตมันสว่างสว่างขึ้นมาแนละ้ว จิตจะเคลื่อนไปในแสงสว่างรู้ทันว่าจิตจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างถ้าแสงมันฉายไปที่อื่นจิตจะเคลื่อนตามแสงไปก็รู้ทันอีกรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมแสงสว่างก็รู้ทันจิตอีกนี่หลวงพ่อฝึกมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อฝึกสมาธิจนมันสวา่างแล้วก็มีจิตรู้จิตรู้แสงสว่างแสงสว่างเป็นของถูกรู้ จิตจะเคลื่อนไปที่แสงรู้ทันจิตจะหนีไปที่อื่นรู้ทันนี่หลวงพ่อฝึกอยู่อย่างนี้เคยเจอคุณแม่จันดีะคุณแม่จันดีท่านถามว่าท่านอาจารย์เริ่มฝึกมายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านเลยะจิตเหมือนกันเลยนั่นบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อฝึกอนาปนสติันมันกลายเป็นแสงพอมันกลายเป็นแสงหลวงพ่อไม่ตามแสงไปหลวงพ่อรู้ทันจิตจิตจะเคลื่อนไปที่แสงก็รู้ทัน จิตจะหนี้ไปที่อื่นก็รู้ทันรู้ทันจิตไปได้ท่านบอกงั้นท่านงานก็เป็นหลักันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมงั้นท่านไม่ได้เล่นแสงท่านใช้พุทโธเฉยๆบอกลงตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธท่านก็กำหนดจิตพุทโธอยู่เแถวๆนี้ยมันคือที่เดียวกับที่แสงมันตั้งอยู่ทำไมแสงมันมีอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาลมมันสงบนะลมมันระงับเนี่ยมันมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียว เหมือนลมมันเคลื่อนครุกคิกคลุกคลิกอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วก็ว่างไปเลยสว่างเงัอนแสงมันก็จะอยู่แถวเนี้ยท่านบอกท่านพุโทโธท่านกนําหนดจิตอยู่แถวเนี้แล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่พุโทโธ ร, รู้จิตเคลื่อนไปที่อื่นรู้งั้นคําว่าหลักเดียวกันนะก็คือรู้ทันจิตนะเนี่ยหลวงตามหาบัวสอนท่านสอนท่านก่อนที่หลวงพ่อจะเรียน สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อมาเรียนสิ่เหล่าเนี้ยเมื่อปีสองห้าแม่จันดีท่านเรียนมาก่อนแนละ้วงันท่านบอกไม่ร้อนเดียวกันแนละวเมื่ท่านพูดอีกประโยคหนึ่งนะเราพูดเกิดลูกเสียลูกหาแต่หลวงพ่อพูดให้พวกเราฟังไม่ได้มันน่ากเกลียดนท่านะเอาหลวงพ่อไปเทียบกับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ บอกจิตองน์นี้คูบาอจารย์เนี่ยเป็นยังไงจิตหลวงพ่อก็อย่างนั้นท่านบอกเนี้ยทนะาไมเราเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเรารู้ทันจิตไม่ใช่รู้แสงไม่ใช่รู้พุโทโธนะไม่ใช่รู้ลมหายใจไม่ใช่รู้มือไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ทองแต่เรารู้จิตหายใจไปพวกเรามันไม่มาเป็นแสงง่ายๆหรอกหายใจเราฟุนะ้งหายใจไปก็หายใจ ย, า, ย, ยาวๆลงไปนะ แล้วใจมันไหลตามลมไปก็รู้ใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจก็รู้ใจมันทลำลงไปอยู่กับลมหายใจก็รู้นี่รู้ทันอีกนะใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้เราทำซิหายใจไปแล้วใจไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้ลองทำดูห้านาทีทำซิเราใจเป็นหลักนะ รู้ทันใจที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาใหายใจไปเหยาน้อมให้ซึมแถวที่สามเนี้ย่ินูเนี้ยน้อมจิตให้ซึมแล้วว่าเห็นไหมจิตมันหลงเนี้ยรู้ทันอย่างเงี้ยหายใจไปจิตมันหลงก็รู้นจิตมันเคลิบเคลิ้มไปก็รู้ จิตมันไปทำอะไรก็รู้จิตมันไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ตรงที่เรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั้นแหละจิตจะตั้งมัน่นอัตโนมัติได้สมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่เจตนาสงใจแรงไปนิดนึงอย่าไปแต่งจิตอันนั้นจะแต่งจิตให้เคลิ้มให้เบลอละสบายสบาย ไปร้องเพลงของเบ์นะสบายสบา ย, บายเห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปเนี่ยหนุ่มเนี่ยรู้สึกไหมมันเที่ยวสายจิตมันสายมันเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปแล้วสายจิตลงไปคิดรู้ไหม หายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปไม่บังคับนะไม่บังคับลมหายใจอันนั้นบังคับกายไม่บังคับจิตพอไหวไหมอถอยออกมา เวที่ถอยออกมาหายใจให้แรงขึ้นนะแล้วก็รู้สึกตัวออกจากสมาธิพร้อมความรู้สึกตัวไม่ใช่ออกมาปุ๊บหลงปั๊บเลยนะเคลื่อนหลับมานะออกมาสู่โลกข้างนอกด้วยความรู้สึกตัวฝึกนะทุกวันฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่าทำจิตให้เคร่งเครียดรู้ไปรู้กรรมฐ า, านไปสบายๆแล้วรู้ทันจิตถ้าเห็นจิตสายไปหาอารมบ้างเที่ยวดูว่าจะดูอะไรดีบาทีก็เที่ยวคิดเรื่องโน้นเรืงนี้หลงไปทีก็ถล้ำลงไปเพ่งอารมณ์อรย่างี้รู้ทันไปอย่างเนี้ยแล้วเวลาสมควรแก่เวลาเวลาจะออกจากสมาธิ ก็าหายใจให้แรงขึ้นอย่าถึงจิตพลวดพลาดออกมาหายใจให้แรงขึ้นถ้าหายใจแรงขึ้นแล้วมันยังไม่ออกนะก็ขยับขยับนิ้วก่อนมาขยับขยับขยับนิ้วได้ก็ขยับมือขยับมือเดี๋ยวมันก็ออกมามันออกมาด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งสมาธิก็เซอ่อซ่าอยู่ฮะอา้าวถึงเวลาออก นะอย่างนี้มันลูกศิษย์ไม่มีครูเลยไม่มีชั้นเชิญไม่เอาไหนไปทำนะสิ่งที่หลงพ่อสอนวันนี้เอาให้ได้อย่างน้อยวันละยี่สิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีไปทำทุกวันเพื่อแก้สิ่งที่โลงพ่อบอกประโยคแรกๆเลยในวันนี้ข่าว่ามีจุดอ่อนที่ไม่มีสมาธิ สมาธิไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้ส่วนในสมาธิมิจฉานะั่นไม่มีปัญญาอยู่แล้วล่ะสมาธิเซอ่อซ้าเสื่องซึมไม่ได้เรื่องไปทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะั้นรู้ทันอย่างบางคนา น, านัดดูท้องพองยุบก็ูท้องพองยุบได้ไม่ผิดห อ, อก ดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันรูล้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตสายไปสายมารู้ทันจิตเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเไรื่อยๆทำกรรมฐ า, านแล้วรู้ทันจิตแล้วเราจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติหลวงูเทศท่านเคยสอนนะว่าการปฏิบัตินะ ต้องให้ถึงจิตถึงใจถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นส า, สารสาระของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติแบบไร้สาระนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ท่านแกล้งว่าพอพานาล้าเห็นจริงตามท่านบอกอไปทานข้าวไปนี่หมดเลยครับ